มาด้วยความตั้งใจเหมือนกันมีความกระตือรือร้นอยากจะปฏิบัติทําให้พ้นทุกข์เจ้าวายก็ให้ไปผ่าฟืนหับน้ำทำความสะอาดวัดวก็อดทนทำไปได้สองอาทิตย์ก็เลิกด้วยความผิดหวังว่าไม่ได้ปฏิบัติธรรมอันนี้ก็น่าคิดนะว่าเออทำไมเจ้าว่ายถึงให้ไปผ่าฟืนหับน้ำไปเก็บกวาดทาความสะอาดบริเวณวัด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 เห็นว่าพวกคนหนุ่มไฟแรงอันนี้ถ้ามีความกระตือรือร้นมากไปก็จะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมเพราะว่ามีความยากมากจะมีความอยากที่จะบรรลุธรรมใ้ความยากนี่แหละก็เป็นตัวสกัดกันการปฏิบัติธรรมเป็นอุปสรรคก็ให้ไปผ่าฟืนหาอนน้ำจะได้ลดความกระตือรือร้นลงไฟก็จะได้ค่อยๆบรรเทาเบาบางไป ในสาวพาระตกรก็มีเรื่องทํานองนี้เรียกว่าให้ไปเวลามีใครที่กระตือรือร้นที่จะมาฟังธรำบางทีพระพุทธองค์ก็จะไม่รีบแสดงธรรมให้ทันทีจะผัดน์ผ่อนอย่างภาหิยะพาหิญะนี่เคยล่าใฟังเคยสําคัญตัวก เ, เป็นนักเป็นอรหันต์แต่ตอนหลังก็มารู้ตัวว่าไม่ใช่ไอ้ที่บําเพนตะบนะนั้นมันก็ ไม่ได้ช่วยให้เกิดปัญญาพ้นทุกเลยแล้วเมื่อได้ยินว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ที่ตัดสรุปได้ด้วยพระองค์เองภยยะก็ตามไปหาพระุทธเจ้าที่เมืองสาวัตถีตามเรื่องก็ว่าเดินไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนเลยเช้าสายบ่ายเย็นกลางคืนก็ไม่ได้นอนเดินระยะทาง120โยชนโย์แต่มือง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 อะไรอะไรก็ไม่แน่ไม่นอนถ้าว่าไม่ได้ฟังธรรมของผู้เจ้าก็อาจจะไม่มีโอกาสพู้เจ้า ก, ก็เลยแสดงธรรมสั้นๆว่าเมื่อเห็นก็สักแต่ว่าเห็นเมื่อได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินได้กลิ่นก็สักแต่ว่าได้กลิ่นได้ริมรถก็สักแต่ว่าได้ริมรดได้สัมผัสก็สักแต่ว่าได้สัมผัสแม้เมื่อมีจิตรู้ในอารมณ์ต่างๆก็สักแต่ว่ารู้เมื่อนั้นตัวเธอจะไม่มี ทั้งไรโลกนี้และในโลกหน้าแล้วเราก็ระหว่างโลกทั้งสองเมื่อ น, นั้นแหละก็จะถึงที่สุดถึงทุกข์มันก็ตามไม่กี่ประโยคอย่างนี้แหละภายะก็ตอนนั้นก็เรียกว่าสภาวะจิตก็เริ่มเข้าที่แล้วนะหลังจากที่ถูกปฏิเสธมาสองครั้งพอพระเจ้าแสดงธรรมสั้นๆก็บรรลุ ธ, ธรรมเป็นพระอรหันต์ทันทีได้เชื่อเป็นเอตทัคคะที่บรรลุ ธ, ธรรมได้อย่างรวดเร็วโดวยถ้อยคําไม่กี่ประโยคนะพายะก็พอบรรลุ ธ, ธรรม ก็จะไปบวชอุปสมบทกับพระพุทธเจ้าก็รีไปหาบาทไปหาจีวรมาแต่พอออกจากผู้เจ้าไปไม่ทันไรก็โดนบัวขิดตายก็นับว่าภัยักษเหตุผลที่พัยักษได้พูดได้อ้างกับผู้เจ้าว่าอยากจะผู้เจ้าแสดงธรรมในเวลานั้นทันทีเพราะอะไรอะไรก็ไม่แน่นอนก็ก็เป็นจริงอันนี้ก็เล่าเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อให้เห็นว่าที่พระพุทธองค์ได้ทรง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 ประตูวัดพระพุทธเจ้าเห็นก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นพระพเจ้าเห็นว่าพระจุลปัญญาคนนี้มีอินทรีย์ที่จะเข้าใจธรรมะก็เลยหาวิธีง่ายๆให้พระจุลปัญญะเอาผ้าขาวถือหนึ่งให้แล้วบอกว่าให้ลูกคลำผ้านี้ลูกไปเรื่อยๆนะอย่าไปหยุดรูปไปก็พิจารณาบริกรรมไปด้วยนะว่า ผ้าเปื้อนฝุ่นผ้าเปื้อนฝุ่นและโชหรนังแล้โชว์หรารนังสั้นๆแค่ น, นี้แหละพัะจุลปัญากรก็ทําตามก็ไม่ได้คิดอะไรพระพุทธเจ้าสั่งก็ทำเพราะไม่งั้นก็ต้องออกจากวัดไปใจนี่ก็ยังพึงพอใจในเพศประภชิตก็ลูปพรมผ้าเช็ดหน้ารูปไปรูปไปก็พิจารณาไปะโชหารนังและโชรนังเมื่อรูปไปรูปไปเป็นชั่วโมงเป็นชั่วโมงผ้าที่ขาว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 อาจารพุทธาก็บอกว่าการทํางานคือการปฏิบัติธรรมการทํางานก็มีหลายอย่างงานภายนอกงานภายในกรรมฐานคืองานภายในงานภายนอกทะละน้อมเข้ามาใส่ตัวนอกจากวางจิตวางใจให้เป็นละน้อมเข้ามาใส่ตัวก็เห็นแจ้งเข้าใจธรรมะได้ในสายพุทธการยังมีบางคนนะบรรลุธรรมขณะที่เล่นกายกรรมอยู่บนเส้นเชือก เป็นการบรรลุธรรมที่ประหลาดมากอยู่บนเล่นกายกรรมอยู่เนี่ยแต่ว่าจิตเป็นสมาธิมากบรรลุธรรมบนน่ะบนนั้นแหละบนขณะที่กำลังไต่เชือกไม่ใช่ว่าต้องมาบรรลุธรรมขณะที่กำลังนั่งสมาธินะหรือว่ากำลังจงกรมอยู่อย่างพระอนุนก็เช่นเดียวกันพระอนุนนี่ก็เดินจงกรมทั้งวันบำเพ็ญเพียรทั้งวัน เพราะว่าต้องการที่จะไปร่วมสังคยานาสังคยานาหลังจากที่พระเจ้าปิณิพานี้ต้องการพระอรหันต์ห้าร้อยแต่ว่าตอนนั้นได้พระอรหันต์มาเพียงแค่สี่าสขาดูปหนึ่งก็ต้องกายพระอนนท์นี้เนี่ยเข้าไปร่วมเพราะว่าท่านเป็นพระหูสูตรทรงจําพระสูตรได้เยอะมากทรงจําคําสอนได้เยอะแต่พระอนนท์นั้นตอนนั้น ก็เป็นแค่ภรยาบุคคลชั้นต่ำยังไม่ได้ถึงแม้เป็นพระอรหันต์พระอนุนก็เลยต้องบาเพ็ญเพียรอย่างเต็มที่ทำตั้งแต่เช้าสายบ่ายเย็นจนค่ำก็ยังไม่ได้ผลแล้วก็เหนื่อยนะคืนนั่นแหละคืนสุดท้ายก่อนที่จะมีการสันเครนาก็บาเพ็ญเพียรเต็มที่เลยแต่ไม่ได้ผลเหนื่อยก็จะนั่งเอนหลัง อยู่ในท่าที่เรียกว่าจะนั่งก็ไม่ใช่นะจะนอนก็ไม่ใช่กลางๆนั่นแหละแล้วก็บรรลุธรรมตรงนั้นเลยนะคือใจที่ผ่อนคลายอยากจะพักใจที่ผ่อนคลายเมื่อผ่อนคลายคือไม่ตึงนะไม่ตึงผ่อนคลายจนทั้งจิตเข้าสู่ภาวะสมดุลก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ก็เลยได้มีสิทธิ์เข้าร่วมสังเยนาก็ทำให้เราได้รับทราบ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 ไม่กดคมแล้วก็ไม่ฟุ้งซ่านใจลอยบางทีทำความเพียนมากไปก็เรียกว่าไม่พอดีก็เกิดปัญหาความเพียนมากไปความเพียนน้อยไปนี่ไม่ถูกปุจจัยเปรียบเหมือนกับพิน3าสายสายที่อยู่ตรงกลางสายตรงกลางนี่คือสายที่ไม่ตึงไม่หย่อนสายกลางกลางนี่เราก็เลยไปเข้าใจว่านั่นแหละการที่ไม่ตึงไม่หย่อน คือทางสายกลาง อ, อันนั้นไม่ใช่มันคือความพอดีที่เขาเรียกว่าวิริยะสมัตาความเพียรแต่พอดีอันนั้นเป็นคนละส่วนกับทางสายกลางพระนัยก็ให้เราเข้าใจนะว่าอะไรคือการปฏิบัติธรรมแล้วการวางจิตวางใจอย่างไรถึงจะเรียกว่าเอื้อต่อการปฏิบัติธรรม